ดูจิตตัวเองนะจิตของเราทุกอย่างมันไปจากจิตก่อนตัวจิตเนี่ยมันจะคิดขึ้นมาก่อนเวลามันจะพูดเนี่ยมันจะคิดปรุงแต่งคำพูดหรือถ้าหากว่าจิตมันเร็วถ้าสติปัญญาเราดีนะเราจะเห็นไงจิตมันพูดได้คำพูดเนี่ยมันกันกรองอยู่ในจิตของเราแล้มันปรุงแต่งขึ้นมา แล้วมันก็พูดออกไปถ้าจิตที่มันมีธรรมะมันจะกันกลองคําพูดที่มันมีประโยชน์แล้วมันก็จะไตรตรองเรียบร้อยเลยว่ากับคนนี้จะพูดยังไงเขาถามมาอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เราจะพูดยังไงจะให้มันมีประโยชน์กับเขามันกันกลองก่อนนะทุกคําพูดมันจะต้องออกมาจากจิตของเราเองแต่ถ้าใครไม่เห็นจิตตัวเองละเอียดเนี่ย มันก็จะไม่เห็นว่าตัวจิตเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลยถ้าจิตมันไปหมักหมมความชั่วร้ายอยู่ในจิตมันก็จะเอาสิ่งนั้นอ่ะออกมาระบายออกมาพูดออกมามันไม่ได้คำนึงถึงหรอกว่ามันจะมีประโยชน์ต่อตัวเองหรือประโยชน์ต่อคนอื่นแต่มันพูดไปตามอำนาจของความหลงที่ไม่เห็นจิตใจของตัวเอง มันก็เลยไม่รู้ว่าคำพูดของตัวเองจะมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่ามันไม่สามารถยับยั้งความรู้สึกอยากพูดออกไปไม่สามารถที่จะควบคุมคำพูดของตัวเองได้เพราะนั้นตัวสติเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะบางทีจิตของเรานี่โอ้โหมันกลคนคนนี้มันงี่เง่าจริงๆอะ่ะมันงี่เงา่ามันติงตองมันทำในสิ่งที่มันไม่ควรทะ มันน่าจะรู้เรื่องมันก็ไม่รู้เรื่องบางทีก็เป็นผู้ใหญ่แต่เป็นผู้ใหญ่แต่ร่างกายไอ้วุฒิภาวะทางจิตใจมันไม่มีอ่ะไอ้จิตใจนี่มันอยากพูดแต่เวลาพูดมันพูดไม่ได้เพราะอะไรมันมองเห็นความทุกข์ของคนคนนั้นว่าถ้าหากว่าเราพูดออกไปเขาจะทุกข์เขายังไม่พร้อมที่จะรับฟังความเลวร้ายในตัวของเขาเอง มันก็ต้องเอาถานอมน้ำใจเอาไว้ก่อนก็พูดในแง่มุมที่พอที่จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นธรรมะที่มีเป้าหมายเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่ว่ามาธรรมะเข้ามาวัดฟังธรรมะแต่ไม่รู้เรื่องจิตของตัวเองเลยอ่ะไม่รู้อะไรควรทาอะไรไม่ควรทามันก็เลยเหมือนกับไปวัดแต่ร่างกาย เข้าวัดนั้นออกวัดนี้ฟังธรรมะอาจารย์นั้นอาจารย์นี่แต่ไม่ยอมแก้สิ่งที่มันไม่ดีในใจของตัวเองเลยก็แสดงไม่เห็นจิตใจหรือมันไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะทน ไ, ได้ประโยชน์จากธรรมามันต้องมาแก้จิตเราได้มาพัฒนาตัวเราได้ปรับปรุงตัวเราให้มันดีขึ้นมาได้ถ้าใครเนะี่ยมีความรู้สึกอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น อันนั้นแหละตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าทันทีเลยถ้ารู้สึกตัวว่าเออมันบกพร่องแล้วเพราะความไม่รู้ของเรามันมีอยู่หรืออํานาจของกิเลสตัณหาอุปาทานภายในจิตใจของเรามันยังหนานแน่นถ้าเรารู้แล้วพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองเนี่ยมันจะดีขึ้นคนนั้นละ่ะจะต้องเจริญขึ้นแน่นอนในความผิดพลาดบกพร่องอะ่ะมันก็มีมันเป็นธรรมดา แต่ว่าผิดพลาดแล้วเนี่ยเราพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองไหมถ้าแก้ไขตัวเองได้เนี่ยมันจะเจริญขึ้นมาแล้วต้องอาศัยสิ่งที่มันผิดพลาดบกคล่องมาเป็นบทเรียนมาแก้ไขตัวเองคนที่จะแก้ไขตัวเองเนี่ยมันต้องหันมามองดูตัวเองพยายามเฝ้ามองดูตัวเองมากกว่าที่จะไป ม, มองดูคนอื่นสนใจเรื่องตัวเองแต่ไม่ได้สนใจที่จะสแสวงหา ผลประโยชน์หรือสร้างตัวสร้างตนสร้างอัตราขึ้นมามองเฝ้ามองเพื่อจะทำความเข้าใจชีวิตของตัวเองเพื่อศึกษาชีวิตของตัวเองให้เข้าใจให้ลึกซึ้งเพื่อที่ปล่อยวางตัวตนของตัวเองเพื่อให้จิตเนี่ยมันเป็นอิสระถ้ามันเป็นอิสระแล้วมันจะได้ไม่มีทุกข์เพราะเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีทุกข์ทั้งทั้งที่เราต้องการความสุข มันก็ยังมีทุกข์อยู่ถ้าเราไม่สแสวงหาทางออกจากทุกข์เราก็จะทุกข์เรื่อยไปตายไปพร้อมกับความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ไปดีเลยนะนไปอบายภูมิจมลงไปจมลงไปแล้วกว่าที่จะพัฒนาขึ้นมามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดี๋ยวนี้นะโอ้โหมันนับไม่ถ้วนเลยนะเวลานี่ยาวนานมากเลยน่าเสียดายที่เราเกิดเป็นมนุษย์แล ไม่ใส่ใจธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เพียนพยายามที่จะขัดเกลารตัวเองถ้าเราไม่ขัดเกลาตัวเองไม่พัฒนาตัวเองไม่แก้ไขตัวเองไม่มีใครหรอกที่จะมาพัฒนาตัวเราได้มาแก้จิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นมาที่นี่ก็ต้องมีละแง่มุมหนึ่งของการปฏิบัติธรรมก็คือต้องแก้ไขตัวเองต้องพัฒนาตัวเองคาว่าภาวนานี่คือพัฒนาทาให้มันเจริญขึ้น ภาวนานี่แปลว่าทําให้เจริญขึ้นหรือพัฒนาให้มันดีขึ้นสิ่งที่เป็นอกุศลให้มันน้อยลงไปให้มันหมดไปสิ้นไปให้มันเสื่อมไปฝ่ายกุศลให้มันเจริญขึ้นภาวนาเนี่คือมาทําให้กุศลเจริญขึ้นก็มาทําให้ชีวิตเรามันดีขึ้นมาทําให้จิตใจของเรามันดีขึ้น ดีจากข้างในแล้วข้างนอกมันก็ออกมาดีด้วยถ้าข้างนอกมันยังไม่ดีเนี่ยไอข้างในเนี่ยมันจะดีได้ยังไงอ่ะถ้ามันดีจากข้างในเนี่ยข้างนอกมันก็ดีด้วยเพราะว่ามันสามารถที่จะยับยั้งจิตของตัวเองได้สามารถควบคุมตัวเองได้เพราะนั้นภายในสำคัญภายนอกก็สำคัญด้วย เราศึกษาภายในก็เพื่อที่จะมาเกี่ยวข้องกับภายนอกให้มันถูกต้องไม่ให้มันมีปัญหาไม่ให้มันมีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนเพราะฉนคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเห็นตัวเองเนี่ยมันก็จะเข้าใจตัวเองแล้วก็จะเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเองแล้วเข้าใจคนอื่นยิ่งจิตมันละเอียดเข้าไปมันก็ยิ่งเข้าใจคนอื่นได้ลึกซึ้งเท่านั้นเพราะฉะนั้น การเจริญสติก็เพื่อให้เรารู้เท่าทันจิตใจของเราอยู่กันเยอะๆถ้าต่างคนต่างมีความคิดอยากให้สภาพแวดล้อมมันดีเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีคุณภาพมีสิ่งแวดล้อมที่สงบเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันสํารวมถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ คนอื่นเห็นเราปฏิบตัติเขาก็อยากปฏิบัติด้วยนี่นี่ช่วยพระศาสนาเลยนั่นเนี่ยไม่ต้องไปบอกใครหรอกแต่เราทำตัวเราเนี่แหละให้ดีถามตัวเองว่าก่อนจะมาที่นี่เรามาทำไหมเตือนสติเตือนจิตใจของเราให้มันได้ประโยชนจากการมาของเราทามาแล้วนี่ได้ยินมาพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ย มันก็ทำให้สภาพแวดล้อมมันเสียยิ่งที่มันก็ไม่ได้กว้างขวางมากไปคุยมันก็เสียเวลาแล้วมันก็รบกวนคนอื่นด้วยแล้วมันก็ก็คือมันแสดงออกถึงจิตใจนั่นแหละมันไม่มีธรรมะมาแสวงหาธรรมะแต่มมนไม่ไม่มีธรรมะไม่เอาธรรมะนี่มันต้องได้แก้ไขกันนะอันนี้มันมันได้เห็นว่าจิตของเราเนี่ยมันแย่ ขนาดจะมาศึกษาธรรมะมาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะมันยังดื้อด้านดูซิอันนั้นไม่ใช่เรานะตัวนั้นน่ะนั่นแหละเป็นฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลอยู่ในจิตของเราเองถ้าเราไปรลอเลี้ยงมันไว้ไปทำตามมันเราก็เป็นธาตมันเนี่ยแต่จริงๆมันไม่ใช่เราหรอกมันเกิดแล้วมันก็ดับถ้าเราเฝ้าดูมันเดียวมันจะดับเราจะอยู่เหนือมันได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีสานึกไหมถ้ามีสานึกเราก็หันกลับมาจเจริญสติให้มากขึ้นมีความเพียรมากขึ้นมีความสำรวมระวังมากขึ้นแล้วการมาของเรามันก็จะได้รับประโยชน์ถ้าเราเผลอไปเพลินไปถ้าเราสานึกได้ก็แล้วไปมันก็จบมันก็ผ่านไปเราก็ดีขึ้นมา แล้วเราก็จะมาเห็นตัวเองแล้วก็จะเห็นด้วยไอความอยากความต้องการอยากพูดอยากคุยอยากเนี่ยไอความอยากเนี่ยมันเหตุแห่งทุกขน์นี่ก็รู้อยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยากอะไรมากๆเราจะคอยละอันนั้นมันไม่ใช่นะอยากอะไรก็ตามที่มันไม่มีเหตุผลเนี่ยที่มันทำให้เกิดความประมาททำให้เราไม่สํำรวมระวังถ้าเราไม่ละสิ่งเหล่านี้ เราก็งีงเง่าต่อไปงีงเงา่าชนิดจิตตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองงีงเงา่าน่าสมเพชเข้าใจไหมแต่ถ้าใครรู้ตัวว่างีงเงา่าแก้ไขนั่นแหละกําลังจะเจริญแล้วกําลังจะพัฒนาแล้วแล้วจึงจะมาเห็นว่าไอ้พวกสิ่งเลวร้ายที่มันซ่อนอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับมันไม่ใช่เราเลย ถ้าเราไม่ตั้งใจดูมันไม่เห็นมันล่ะเราก็จะทําตามมันน่ะที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะอย่างนี้แหละเราทําตามมันเรายอมแพ้มันมันมีอํานาจเหนือเราทําไปล้ํากนกเมาเมามันเพลินเพลินจิตเราก็ไหลออกไปไหลไปตามอํานาจของความเพลิน ความเพลินผู้หญิงเดียวันนันทิเพลินจิตเพลินออกไปแล้วก็ไปคำนัดยินดีเป็นนันทิราคะแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาพอกพูนหุ้มห่อจิตวิญญาณของเราเป็นจิตใจที่โงโงดักดานไม่รู้จะแก้ไขตัวเองไม่รู้จักพัฒนาตัวเอง แล้วก็มาหลอกตัวเองว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมประกาศตนว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ว่าไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ทวยยาวะให้ไปกินก้อนเหล็กแดงไปกินกืนกินก้อนเหล็กแดงถึงจะทุกข์จนตายก็ดีกว่าการที่ตัวเองไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์แต่พยายามประกาศตัวเองหลอกลวงว่าตัวเองนี้เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ทั้งทั้งที่ข้างในเน่าในนี่พราะผู้เจ้าด่านะเนี่ย เ, เนี่ยให้รู้ว่าคำดา่าผู้เจ้าว่ายังไงแต่เป็นคนเน่าในเปียกแฉะเต็มไปด้วยมูดคูดเต็มไปด้วยขยะมูลฝอยนี่แหละผู้เจ้าให้ไปกินก้อนเหล็กแดงประกาศตัวว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ข้างในข้างในก็คือจิตเราเองเน่าในเปียกแฉะ เต็มไปด้วยมูดคูดคืออุจาระปัสสาวะเต็มไปด้วยขยะมูลฝอยแสดงมีแต่ของสกรปรกลบลุงหลังอยู่ในจิตตัวเองไปกินก้อนเหล็กแดงถึงจะทุกข์จนตายก็ดีกว่าตายแล้วไปทุกข์ทรมานในนรกแสดงว่านรกนี่มันโอหัหนักมากกว่ากินก้อนเหล็กแดงนี่ถ้าเราเข้ามาดูจิตเราเราจะเห็นนะว่าข้างในจิตเรามันเป็นยังไง ตัวเรานี่ถ้าเห็นจิตเราเนี่ยมันจะโอ้โ ห, หน่าขยะขยงมากเลยนะจริงไหมที่พุะเจ้าบอกว่าเป็นคนเน่าในเน่าในข้างในมันเน่าเน่าสศกปลกมีแต่มูดมูดคูดมูดคือปัสสาวะคูดคืออุจจละเต็มไปด้วยขยะมูลฝอยมีแต่ขยะ ในจิตของเรามีไ้ยขยะมูลฝอยมีแต่สิ่งไร้สาระมีไหมเราควรขจัดมันออกไปไหมหรือว่าเราจะหวงแหนมันเอาไว้หวงแหนก็คือทำตามมันไม่ใส่ใจที่จะแก้ไขจิตของตัวเองไม่ใส่ใจที่จะพัฒนาจิตของตัวเองแล้วนี่หรือคือคนที่มาปฏิบัติธรรมผลปฏิบัติธรรมมันต้องแก้จิตของตัวเองแก้ความชั่วร้ายในจิตของตเอง อย่ี่ว่าแก้กิเลสตัณหาอุปท า, านสิ่งที่มันทำให้เราเป็นทุกข์ก็คือพวกนี้มันมาจากไหนนี่แหละต้นตอมันมาจากาวิชาความหลงหลงว่ามีตัวเราเสร็จแล้วมันก็มีตัณหาหวังจะทำให้เรามีความสุขมันก็สะสมความโลภความโกรธความหลงหมักหมมเอาไว้ในขันทัศนดานถ้าเราไม่แก้ใครจะแก้ให้เราะ นี่มันไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นี่มันสั่งสมมายาวนานแล้วเวียนว่ายตายเกิดมันทุกข์ก็เพราะสิ่งนี้โลภโกรธหลงแถมก็กระทาในสิ่งที่มันไร้สาระไม่มีแก่นสารถ้าชาตินี้ไม่แก่มันลงมือทํากรรมอะไรต่ออะไรเดี๋ยวมันก็ค้างคาอยู่ในจิตใจมันก็พาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยมันก็ทุกข์แล้วทุกเล่าทุกแล้วทุกอีกต้องประกาศสงครามกับมัน เราต้องแก้จิตเราให้มันได้เนี่ยเพียรพยายามที่จะแก้ไม่ใช่ง่ายๆนะต้องใช้คําว่าเพียรพยายามอดทนมากๆคนที่จะแก้จิตตัวเองได้เนี่ยโอ้โหมันเหนียวแน่นเหนียวแน่นมากๆเพราะฉะนั้นตัวหยาบหยาบเนี่ยเอาซะก่อนโผลหน้าออกมาหยุดมันหยุดมันไม่ทําตามมันแล้วมันก็ดับไปหยุดมันแล้วมันจะดับถ้าไม่หยุดมันทําตามมัน มันจะพอกพูนมันจะมีกำลังมากแล้วเราจะสู้มันไม่ได้มันจะครอบงำจิตเราแล้วมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนธรรมะนี่มันไม่ได้มองไปที่ตัวคนนะมันมองไปที่การกระทำว่าการกระทำนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแล้วแก้ไขมันก็ดีขึ้นมาแล้วเราดีทันทีเลยนะแต่ถ้าไม่ถูกต้องยังคืนทาอยู่ เอาละมันเริ่มเลวแล้วทีนี้พอมันยอมตัวไปทําความเลวแต่รู้ตัวว่าผิดพลาดบกคล่องแก้ไขดีขึ้นมาแล้วเนี่ยเพราะมันทําดีมันเด้งขึ้นอยู่กับการกระทำวันเราหยุดแล้วทําสิ่งที่มันถูกต้องแทนมันก็ดีขึ้นมาทันทีธรรมะนี่มันจึงไม่รังเกียจชิงชังกันนะชังใครไม่ได้รังเกียจกันไม่ได้แต่รังเกียจการกระทําที่มันไม่ถูกต้องตอนที่ปฏิบัติอยู่ ที่ว่าดอยธรรมเจดีตัวเองก็รู้สึกว่าเราเนี่ยมันแย่มันเหมือนมันมีความไม่ดีอยู่ในจิตใจอ่ะเห็นความผิดของตัวเองเห็นความเลวของตัวเองอยู่เรื่อยมันตำหนิตัวเองมันโทษตัวเองแต่มันมีอย่างหนึ่งว่ามันจะพยายามแก้ไขบางครั้งจิตเนี่ยมันเลวไปหาคนอื่นอ่ะมันพูดไปหาคนอื่นมันไปตำหนิติเตียนคนอื่นลําคาญมัน คิดหาวิธีแก้มันจดความเลวของตัวเองไว้ที่นี่เอาละมันชอบเพ่งโทษคนอื่นใช่ไหมจดความไม่ดีของตัวเองจดจดจดจดอธิบายบรรยายมันออกมาเขียนเป็นข้อข้อข้ อ, ข, อข้อนี้ก็ต้องแก้เป็นข้อคอแล้วใส่กระเป๋าอังส า, าไว้พอมันตึ๊บไปหาคนอื่นปับ๊บล้วงออกมาอ่านเข้าไปตรงนี้ทำไมไม่แก้ ตรงนี้ทําไมไม่แก้ไอจิตที่มันพุ่งออกไปข้างนอกค่อยๆลดกําลังลงลดกําลังลดกําลังล ง, ลงหยุดหันมามองตัวเองหันมาแก้ตัวเองวันหลังมันไปอีกไม่รู้มันไปเมื่อไหร่เอาออกมาดูตอนแรกต้องดูก่อนตอนหลังมาค่อยจําได้ค่อยจําไดเ้เราก็สติเราก็เร็วขึ้นนะปัญญาก็เร็วขึ้นต่อมามันเร็วจนกระทั่งพอมันเริ่มปั๊บ นึกถึงคนนั้นปั๊บมันออกมาทันทีเลยทำไมไม่แก่ข้อบกพร่องที่อยู่ในจิตเราทำไมไม่แก่แค่นี้หยุดหยุดได้โอ้โหสบายโอ้แต่ก่อนมันเล่นงานอ่ะมันเล่นงานอไอ้ที่มันออกไปข้างนอกนี่มันเล่นงานเราอ่ะมันร้อนอ่ะคือเราเห็นมัน่ะมันทำให้เราร้อนอ่ะกายร้อนจิตร้อนทุกไม่สบายเลย เนี่ยแค่จิตที่มันเหลวไปข้างนอกมันพุ่งออกไปข้างนอกอ่ะเราเห็นอาการมันอะ่ะเพราะอะไรเพราะมันเฝ้าดูอยู่อะ่ะเฝ้าศึกษาเฝ้าสังเกตหาทางเอาชนะมันหกว่าที่จะทันมันได้ก็เป็นปีเลยนะฝึกเนี่ยฝึกเป็นปีเลยแค่นี้แหละแค่มันชอบเหลวไปข้างนอกเนี่ยจดข้อไม่ดีใส่กระเป๋าอังสะพอมันเริ่มวิาพากษ์วิจารณ์คน น, คนนั้นคนนี้ล้วงมันออกมาอ่านเข้าไป อ่านซ้ำๆๆคอยลดกําลังลงลดกําลังลงลดกําลังล ง, ลงการเพ่งโทษคนอื่นหยุดเพราะมันจนด้วยเหตุผลเราก็ยังมีข้อไม่ดีเรายังมีข้อบกพร่องเรายังมีสิ่งที่แก้ไขทําไมต้องไปมองแต่สิ่งไม่ดีของคนอื่นเปลี่ยนใหม่มองความดีของคนอื่นที่นี่โอ้โหความดีของเขาก็มีอยู่แต่ก่อนมันไม่มอง มันไปมองแต่ของไม่ดีของเขาแล้วโดยเฉพาะไอ้สิ่งที่เราดีกว่าเขาเราเก่งกว่าเขาเราเหนือเขามันจะยกอันนี้ขึ้นมาอ้าง้วยนะแล้วมันก็จะไปตำหนิไอ้สิ่งที่เขาด้อยกว่าเราอีก น, นี่แหละตัวมารนะมันเอาความดีของเราไปข่มคนอื่นคราวนี้เปลี่ยนมาอีกมองความดีของเขาความเก่งของเขาปมเด่นของเขาปมด้อยของเราโอ้มันยุบย่อลงไปี่นี่ ค่อยเบาลงหน่อยในจิตเราเนี่ยความทุกข์ปัญหาเริ่มลดลงมันต้องมาแก้จิตของตัวเองถ้าไม่มาแก้จิตของตัวเองไม่มีทางหรอกที่มันจะมีความสุขในชีวิตของเราอเพราะมาจากจิตมันหาเรื่องทำให้ตัวเองเป็นทุกข์จนได้แล้วเราจะประมาทได้ยังไงอ่ะแล้วเราปล่อยจิตของเราให้ไปยุ่งกับเรื่องข้างนอกมากไม่ได้ เพราะมันจะไม่เห็นตัวเองในขณะที่มันไปมองดูคนอื่นน่มันไม่เห็นตัวเองแล้วโหมันรวดเร็วขนาดนั้นนะจิตเนี่ยถึงได้เห็นใจว่าโอ้โหมันมันมันแก้ยากแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยมันแก้ได้สาหรับคนที่พยายามที่จะแก้แก้ข้างในได้แล้วก็ต้องมาพิสูจน์ข้างนอกด้วยข้างนอกต้องทำได้ถ้าข้างนอกทำไม่ได้มันยังไม่ใช่มันหลอกบางทีมันแค่คิดมันแค่แก้ได้สักครั้งหนึ่ง แค่พยายามแก้พอมาแก้ได้แล้วจะไปข่มเขาดูอีกโอ้โหมันมันหาเรื่องตลอดเลยนะในจิตเนี่ยบางทีมันไม่ยอมบางทีมันมันควรจะยอมมันก็ไม่ยอมเพราะอำนาจของไอ้ความหลงตัวตนเราเนี่ยความมานณของมันเน่ยที่มันอยู่ในจิตเนี่ยมันต้องไปถกเถียงไปเอาแพ้เอาชนะกันถ้าเราถูกโนูยิ่งใหญ่ไม่ยอมเด็ดขาดเลยนะเราถูกเขาผิด ขนาดเราผิดบางทีมันยังไม่ยอมเลยไม่ยอมจนมุมูยังเถียงชอดชอดชอดอยู่ในจิตเนี่ยบางทีไม่ได้แสดงออกแต่มันอยู่ในจิตเห็นในจิตนี่เออยังดีนะเนี่ยดูสี่ไอ้ของสกปรกมันอยู่ในจิตเราเองความชั่วร้ายมันอยู่ในจิตของเราเองยังก็มาหาโจรเลยนะแล้วถ้าพวกนี้มันล้างมันออกไปดับไปหมดไปนั่นแหละมันถึงจะไม่มีทุกข์ได้ มันต้องแก้จิตของตัวเองถ้าจิตมันไม่ละเอียดพอมันไม่เห็นนะมันไม่เห็นไม่เห็นัก็อัตตาตัวตนมันก็เราดีเราเก่งนี่เ น, นี่ยเนี่ยพวกมานะทั้งนั้นแหละถ้าเราดีก็รู้ว่าเราดีมันก็เฉยๆอยู่ในจิตเนี่ยมันไม่ได้มีอะไระเขาดีก็ยอมรับว่าเขาดีมันไม่มากระเทือนจิตใจของเราได้เราด้อยกว่าเขามันก็ยอมรับว่าด้อยกว่าเขา มันไม่เห็นเป็นไรเพราะเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นลอยเหตุปัจจัยมันสร้างมาไม่เหมือนกันเนี่ยก็แค่จิตเราไม่มีทุกนี่มันก็สุดยอดอยู่แล้วเนี่ยสุดท้ายก็คือมาที่มันจิตไม่มีทุกข์กับแต่ว่ากว่าที่มันจะไม่มีทุกข์ได้มันต้องผ่านการขัดเกลวตถ้าใครขัดเกลว า, ายานานในอดีตมากแล้วเนี่ยปัจจุบันมันก็แก้ไขได้ง่ายขัดเกล่าง่าย แต่ถ้าอาดีตมัวหมไม่ค่อยได้ขัดเ ก, าออ ก, าก่ามัน ก, ก็ต้องเพียนกันหน่อยเพียนมากหน่อยนี่มันก็น่าเห็นใจนะขออย่างเดียวว่าเราจะพยายามที่จะแก้ไขตัวเองพัฒนาตัวเองมันก็ต้องดีขึ้นมาทีถ้าจิตมันไม่อยู่อ่ะมันไม่นิ่งอ่ะไม่สามารถหยุดจิตของตัวเองได้มันจะไหลออกไปอยู่เรื่อยอ่ะมันไม่เห็นเลยอ่ะว่าจิตมันไหลไปกับอารมณ์หมดแล้ว ก็ต้องมาเพียรเจริญสติควบคุมจิตให้ได้วิธีไหนที่เราสามารถควบคุมจิตเราได้เราต้องเอาละ่ะไม่ต้องไปคำหนึงถึงอะไรทั้งนั้นแหละเพราะสตินี่มันต้องเหมือนกันหมดอะ่ะสนใจว่าสติเรารักษาจิตเราได้ไหมแต่สติรักษาจิตได้จิตอยู่กับตัวเราได้อารมณ์ข้างนอกก็ดับไปแต่สติเราดีขึ้นมาพอจิตมันทำท่ามันจะคิดไปมันก็ทันล่ะมันก็ยับยั้งจิตเราได้ แต่มันอยู่นานขึ้นสมาธิการที่จิตมันนิ่งมันอยู่นานมันแน่วแน่อยู่ภายในตัวสมาธิมันมีอารมณ์เดียวแล้วก็อยู่นานขึ้นคือถ้าจิตมันมีกำลังมันจะปล่อยได้มันจะดูเฉยเฉยได้แต่ถ้าจิตมันยังต้องคุมกันอยู่นั่นแสดงว่ากำลังมันยังน้อยจิตมันยังเร็วอยู่มันกาลังหาทางออกไปอยู่มันจึงต้องควบคุมจิตมันก่อนกะมีคนเข้ามาถาม เียดูเหมือนว่ากลัวจะเป็นสมถะกลัวไม่ใช่วิปัสนาบอกมันขั้นตอนของมันเป็นอย่างนี้มันต้องมีสติควบคุมจิตซะก่อนถ้าจิตมันยังไม่หยุดไหลออกไปข้างนอกมันไม่เห็นอะไรหรอกจะามาดูกายดูใจมันดูไม่ได้จะมาเจริญสติปัฏฐานสี่มันเจริญไม่ได้เพราะมันไหลออกไปถึงจะเป็นสติปัฏฐานสีแต่มันก็เอาจิตไม่อยู่ มันก็ต้องมาหาทางให้จิตมันกลับเข้ามาอยู่ข้างในพอถ้ามีอะไรก็บอกกันด้วยความเมตตาอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นมาอยากให้ได้มีการแก้ไขก็ถูกแล้วมันก็ตรงกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพอเรามาที่นี่ก็มาเพื่อปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็เพื่อพัฒนาตัวเองมาภาวนาภาวนาก็พัฒนาให้อากุศลมันเสื่อม ให้บาปอากุศลมันลดลงไปสิ่งไม่ดีมันลดลงไปฝ่ายกุศลเจริญขึ้นฝ่ายดีงามมันจเจริญขึ้นจเจริญอยู่ข้างในแล้วมันก็ข้างนอกก็ต้องถูกต้องด้วยคือบางทีมันข้างในออกมาข้างนอกก็ได้คือถ้าจิตมันสงบอยู่ภายในควบคุมจิตได้เวลาออกมาทํากิจกรรมอะไรมันสบายจริงถ้าจิตสงบแล้วเวลาทําอะไรเนี่ย เกี่ยวข้องกอะไรแล้วพอเราภาวนาพอจิตสงบแล้วมันก็จะเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องที่มันเกิดขึ้นจากการเกี่ยวข้องกันเนี่ยเข้ามาพิจารณามาทําความเข้าใจเนี่มันจึงต้องอาศัยสมาธิก่อนจากภายในก็ามาเป็นประโยชน์ภายนอกเกี่ยวข้องอะไรแล้วจิตไม่สัดนสายมันไม่ไหลออกไปทางนอกมันก็มีประโยชน์ คนเรานี่เวลายอยู่ที่ไหนก็ตามนะจะอยู่แบบไม่ทําอะไรเลยมันไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีทําไปตามความเหมาะสมแต่ว่าก็เชื่อมั่นนะคนที่มาส่วนใหญ่มันก็เราก็รู้ต้องมีบุญเก่ามีบา ร, รมีกันทั้งนั้นนะ่ะถ้าผิดพลาดแล้วพูดกันแล้วนี่ก็มั่นใจว่าทุกคนก็จะต้องพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้มันดีขึ้นมาเพราะเราเนี่ย เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยกันแล้วก็มุ่งมาปฏิบัติธรรมตามคําสอนอันเดียวกันเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันพระธรรมก็อันเดียวกันแล้วธรรมะนี่มันทําให้จิตใจของเราจเจริญขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องดีขึ้นได้ถ้าธรรมะไม่สามารถทําให้คนดีได้อะไรเล่ามันจะทําให้คนดี ปฏิบัติธรรมก็คือมาขัดเกลาตัวเองมาพัฒนาตัวเองมาแก้ไขตัวเองจะแก้ไขตัวเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากจิตมันจึงต้องมาสํารวมจิตให้รู้เท่าทาันจิตของเรามันจึงต้องพยายามเจริญสติรักษาจิตควบคุมจิตถ้าวาจิตมันมีกําลังแล้วมันก็แค่ดู แค่มองดูยังไงยังไงความสำรวมระวังมันก็ต้องมีแล้วข้างนอกอันนี้มันต้องมีความเกรงใจกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเราระวังเรานี่แหละเท่ากับระวังคนอื่นเนี่ยพระเจ้าสอนอย่างนี้นะเราระวังตัวเราเท่ากับระวังคนอื่นระวังตัวเองคือยังไงเนี่ยพระเจ้าบอกเอาไว้ด้วยนะระวังตัวเองคือยังไงก็คือมีสติมาเจริญสติ เราสติตามดูกายเวทนาจิตธรรมคือเจริญสติฐานทั้งสีนี่แหละเรียกว่าระวังตัวเองและระวังคนอื่นล่ะระวังคนอื่นนี่คือไม่คิดเบียดเบียนกันมีความเมตตาต่อกันีให้มีเมตตาไม่คิดเบียดเบียนมีเมตตาถึงจะมีข้อพิพาทบกพร่องก็ให้อภยัยเพราะทุกคนก็อยากจะดีกันทั้งนั้นพูดกันเข้าใจแล้วมันก็ พัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นไม่ใช่เรื่องอะไรเลยอ่ะเพราะสิ่งที่มันผิดพลาดบกพร่องมันไม่ดีมันแก้ได้อนิจจังคำว่าอนิจจังนี่มันสามารถพัฒนาให้เจริญขึ้นมาได้เปลี่ยนแปลงได้มันบนพื้นฐานของอนิจจังทุกขังอนัตตนี่แหละมันพัฒนาได้มันเปลี่ยนแปลงได้ทำให้ดีขึ้นมาได้เคยอ่านเรื่องบัณฑิตสัมมณน่ะบัณฑิตสัมมณเป็นลูกศิษย์ภาษารีบุตร ไปบวชเนนกับพระสารีบุตรเสร็จแล้วเดินออกไปบินทบาทเห็นชาวนาเขาเอาน้ำเข้านาท่านอาจารย์ครับเขาทำอะไรตั้งคําถามแล้วเดินไปบินทบาทขอชาวนาเขาเอาน้ำเขา้านาเขาเข้าไปทำาไมครับเขาเอาไปเลี้ยงต้นข้าวเขาน้ำมีจิตไหมครับมีแสดงว่าเจาะมาจิตอย่างเดียวน้ำไม่มีจิตคิดละทีนี้โอ้น้ำไม่มีจิตแต่ว่าเขาก็ บังคับควบคุมได้เอามาทำให้เกิดประโยชน์ได้จิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สิปุ๊บเลยอายุเจ็ดขวบนะบัณฑิตสัมาเนเนี่ยเดินไปอีกเห็นช่างลูกศรเขาดัดลูกศรลูกศร น, นี่เขาก็ลนไฟลนไฟแล้วก็ดัดให้มันตรงอาจารย์ครับเขาทำอะไรครับช่างลูกศรเขาดัดลูกศรเขาดัดทาไมครับเขาดัดให้มันตรงลูกศรมีจิตไหมครับ ลูกสอไม่มีจิตโอ้ลูกศรไม่มีจิตเขายังดัดให้ตรงได้เขายังเอาทําไปทําประโยชน์ได้จิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สิต้องดัดได้สิตบเข้ามาที่จิตเลยเดินไปอีกช่างไม้ถากไม้จะถากให้มันตรงท่านอาจารย์ครับนี่เขาทําอะไรครับช่างไม้ถากไม้เขาถากทําไมครับเขาถากให้มันตรงเพื่อเอาไปทําประโยชน์ไม้มีจิตไหมครับไม้ไม่มีจิต พับเข้ามาที่จิตไม้ไม่มีจิตยังสามารถทำให้ตรงได้ยังสามารถเอาไปทำประโยชน์ได้จิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สิท่านอาจารย์ครับกับผมขอกุญแจกุติครับคือพักอยู่ด้วยกันนะอาจารย์รู้ทันทีเลยวนลูกศิษย์อยากจะปฏิบัติแล้วพอคำถามมันเจอะมาหาจิตแล้วเนี่ยยื่นกุญแจให้แล้วเขาบอกอาจารย์ว่าเออแล้วแต่บุญนะ่ะถ้าบุญมีคงได้ฉันอาหารนะวันนี้อะไรแบบนี้นะกลับไปป๊บ เปิดกุญแจกุติเข้าไปนั่งปึ๊บลงไปมันจ่อเข้าหาจิตอยู่แล้วนี่มันจะดูจิตตัวเองอจิตเราแท้ๆต้องฝึกได้ส่ต้องฝึกได้ส่ต้องฝึกได้ส่ไม่ยอมลดละไปไหนเลยต้องฝึกได้สิจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปนีสติมันมีกำลังก็คุมจิตได้จิตก็ไม่เล็ดลอดไปทางไหนแล้วทีนี้นี่พอเข้าหาจิตได้มันก็มองเห็นในความรู้สึกได้ เออร่างกายก็อยู่ของมันอ่ะมันเห็นเนี่ยมันต้องเห็นสิเนี่ยถ้าใครจิตมันมีกําลังแล้วมันเข้าถึงจิตได้มันจะเห็นพแล้วยิ่งสมาธิมันแน่วแน่มีกําลังมากก็ชัดเจนเลยนะร่างกายกับจิตเนี่ยมันคนละสวดกันเลยอ่ะแล้วก็ในอัตคัตาอาจารย์เขาอธิบายไว้ด้วยนะพอบัณฑิตสําเนนไปปฏิบัติปั๊บเมันจะมีฝ่ายดีนะพวกสมาธิทิฏฐิทั้งหลายหมายถึงพวก เทวดาเนี่ยกับมนุษย์เนี่ยเอาก็รีบมาปกป้องเลยนะคือเขาป้องกันฝ่ายที่ไม่ดีฝ่ายมิจฉาทิถีอะป้องกันมาเฝ้าทางซ้ายทางขวาหน้าหลังข้างบนข้า ง, างล่างเฝ้าหมดเลยเฝ้ากุฏิไว้ไม่ให้ฝ่ายพวกที่มันมิจฉาทิถีมากันมาแกล้งมารบกวนเนี่ยคนปฏิบัติธรรมเนี่ ย, ยไม่ใช่ไม่มีผู้ปก ป, กปัก ร, รักษาคุ้มครองดูแลนะถ้าตั้งใจเนี่ยเขาจะดูแล จอเข้าไปหาจิตมันก็เข้าใจแยกออกกายก็เป็นกายเวทนาเกิดขึ้นเออมันเรื่องเวทนาไม่ใช่จิตมันเกิดที่ร่างกายปล่อยมุนชาอะไรปล่อยหมดเนี่ยจิตมันมีกําลังแล้วปล่อยได้ถ้าจิตไม่มีกําลังนะโอ้ยเราเจ็บเราปวดไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่ลองฮึดขึ้นมาเดี๋ยวมันจะปล่อยวางได้แต่บัณฑิตสมณีนี่จิตมันมีกําลังแล้วเนี่ยมันมีความมุ่งมั่น ที่จะให้จิตมันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยคือไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่มีปัญหาในจิตเพราะเขาสร้างบา ร, รมีมามากแล้วมันถึงเวลาของเขาแล้วมันจิตมันมีกําลังก็ส่องเข้าไปข้างในตอนปฏิบัติอยู่ก็เหมือนกันนะปฏิบัติตอนออกไปบวชเดินจงกรมนั่งภาวนาก็พิจารณาไปธรรมดาดูกายเวทนาจิตธรรมร้ายทําอยู่ตั้งหลายปีมันไม่ไปไม่มาเลยอะคราวนี้ก็มาทบทวนเนอมันค่อยดีขึ้นอยู่ที่มามันไม่ไปไม่มาก็คือว่า พอมีดูจิตตัวเองพอมันพิจนากายเวทนาจิตธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันทําท่าจะหลุดไปพุ่งไปที่ใดที่หนึ่งแต่มันไม่ไปถอยกับคืนมาถอยเข้าขึ้นลงถอยไปถอยมาอยู่อ่ะมันไม่ไปไหนอ่ะมันเท่าเดิมแต่ว่าจิต ด, ดีขึ้นอยู่รู้แต่ว่ามันดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นตัวเองอะ่ะดีขึ้นมันเห็นน่ะแต่มันไม่สามารถทะลุไปในความรู้สึกอะ่ะมันก็เลยมาพิจารณาดูเอกําลังไม่มีอ่ มันเห็นไม่แจ้งไม่ชัดเห็นไม่พอเนี่ยถึงได้ตัดสินใจว่าเอาละวิธีไหนที่จาไม่จิตเรามีกำลังก็ทดลองนั่งขัดสมาธิเพชรสู้เวทนาดูสิไหนว่าไม่ใช่ของเราทีนี้จิตกำลังมันมีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอ้เขานี่มันเห็นกายกับจิตแยกออกกันแบบโอ้ชัดเจนมันจนอุทานออกมาเลยโอ้โหไอที่เราปฏิบัติมาเราว่าพิณากายเวทนาจิตทม พี่นาคันห้าอะไรมันยังไม่ได้เรื่องเลยอ่ะกําลังมันไม่ถึงอ่ะมันไม่ถึงมันไปไม่ได้ของเราเนี่ยจองกระทั่งสู้เวทนากําลังจิตมันพอสติสมาธิมันมีกําลังความเพียรพยายามอดทนมีกําลังเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งมันปล่อยของมันเองเลยอ่ะพอปล่อยได้โอ้โหมันเห็นทุกชัดเจนเห็นจงประทานในจิตที่มันไปยึดไปรุ่มไปหลง เขานี่ไม่ถอยอะทีนี่รู้แล้วต้องหาทางให้ยินมีกำลังจึงได้ใช้ความอดทนแต่คนอื่นเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกเพราะว่าธรรมะมันก็มีหลากหลายนะในสมัยพระพุทธเจ้าพินาธาตุสี่ก็บรรลุธรรมได้พินาธาตุห้าก็ได้ธาตุหกได้กายคตาสติพินาอาการสามสิบสองเป็นปฏิกูลก็ได้พินาเป็นซากศพเปรียบเทียบกระศพในป่าช้าได้หมดเลย มีทุกขวเวทนามากมากทุกเขา่าทุกมันบีบคั้นมากพินาทุกข์ก็ปล่อยวางได้เสือกัดกินพินาเวทนาปล่อยวางบรรลุเป็นพราหันท่ามกลางปากเสือก็มีเนะี่แต่ว่าที่สําคัญนะมันไม่ใช่ว่าจะไปเอาทีเดียวเลยนะระหว่างปฏิบัตินี้ก็ต้องขัดเกาไปขัดเก้าเรื่อยไป บางคนก็จะเอาบรรลุง่ายๆได้ยินว่าโอ้ยคนนั้นบรรลุที่นั่นบรรลุที่นี่ตัวเองก็จะเอาบ้างเอาไม่ตามดูว่าเขาเนี่ยกว่าที่จะบรรลุทำได้เนี่ยเพียรมายังไงพยายามมายังไงต่อสู้มายังไงจึงสามารถบรรลุทำได้แต่เวลาพูดเนี่ยมันพูดตอนที่มันหลุดเนะ่ะมันปล่อยมันวางอะ่ะมันก็จะเอาบ้างทีนี้เอาทีนี้กาลังมันไม่พรไม่ถึงอะ ก็ต้องมาสํารวมระวังมันถึงย้อนมาถึงการปฏิบัติภายนอกก็ต้องถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไม่สร้างปัญหาไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองถ้าผิดพลาดก็ต้องแก้เร็วๆแก้จิตตัวเองเร็วๆมันผิดพลาดแล้วจะแก้ไขมันจะมีอะไรถ้าเราแก้ไขแล้วมันจะมีอะไรเนี่ยผมก็ดีขึ้นมาแล้วเนี่ย ไม่มาซ้าเติมตัวเองไม่ต้องมาเก็บมาคิดให้เสียเวลาจะแก้ไขใช้คำเดียวจะแก้ไขประโยคเดียวนี้แหละอ้าวต่อไปให้ดูตัวเองนะตั้งใจดูตัวเองโชคดีลวที่เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามีความศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าพอใจมาฟังธรรมะ มาปฏิบัติธรรมะต่อเพื่อพัฒนาจิตใจของตัวเองให้มันจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นได้เราก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองแต่ที่สำคัญเนี่ยจิตของเรามันต้องมีกำลังด้วยต้องมีสติมีสมาธิมันต้จงมีปัญญายานที่เห็นความจริงแจ้งชัด มันถึงจะปล่อยวางได้เอาเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะทำความรู้สึกตัวนะแล้วก็มาสังเกตดูการปฏิบัติของตัวเองนะ่าจิตเราอยู่ยังไงเรากำลังทำอะไรดูแล้วเป็นยังไงเอาจิตมองดูตัวเองถ้าจิตมันมีกำลังอะจิตมีกำลังอะหมายว่ามันแน่วแน่อยู่ข้างใน ขนาดเดียวกันก็รู้ลอบอะไรเกิดขึ้นรู้หมดเนี่ยรู้ในจิตเราเนี่ยแน่วแน่ด้วยเป็นกลางด้วยอะไรเกิดขึ้นก็รู้เห็นมันจึงเห็นความเกิดดับของรูปนามมันเกิดดับอยู่ภายในเนี่ยถ้ามันว่างมากๆมันก็อยู่กับความว่างแต่ทาจิตมันเข้าใจอ่ะมันอยู่เฉยๆมันมันเข้าใจบางทีก็ไม่ต้องพิจารณาช่วยไม่ต้องคิดช่วยก็ได้แต่ถ้าใหมา่ๆอยู่เนี่ย ถ้าคิดช่วยแล้วรู้สึกว่าเออจิตมันเข้าใจดีมันมีความดื่มดำ่ำมันมีความลึกซึ้งจิตมันจดจ่อได้มากขึ้น mm. ก็แสดงว่าจิตมันต้องการคาอธิบายต้องการการที่เราอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้ามาอบรมจิตเนี่ยมาสอนจิตมันจึงเหมือนกับใช้สัญญานำไปก่อนได้ อาศัยเราไปจำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาอธิบายให้จิตฟังพร้อมกับดูลงไปด้วยดูความจริงไปด้วยแต่ถ้าใครมันยังใหม่อยู่จิตมันยังคอยจะเล็ดลอดเอาไว้เพลินไปอยู่เนี่ยอันนี้ก็ต้องบริกรรมหรือเอามาจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนี่เราก็ต้องรู้กำลังของตัวเองว่ามันมันควรทำยังไงมันพอดียังไงทำไป เราดูตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายเลยนะจะตั้งคำถามดูก็ได้มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราบ้างมีตรงไหนเป็นของเราส่วนไหนที่เป็นของเรามีร่างกายส่วนไหนเป็นของเราเวทน า, ามันเป็นเราได้ไหมจิตมันก็คิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็ดับรู้อารมณ์ก็ดับมันเป็นเราได้ไหม ตัวจิตเนี่ยมันเหมือนก็จะเป็นเราแต่มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอ่ะไอ้ตัวจิตเนี่ยมันจะวางสุดท้ายเลยนะมันจะค่อยๆวางไปด้วยกัน plate, นั่นแหละกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยแต่ว่าไอ้ความเป็นตัวตนมันจะดับเนี่ยสุดท้ายพอมันความรู lide, ้สึกว่าเป็นเราดับไปจิตมันก็เข้าสู่ธรรมชาติเป็นธรรมชาติมองดูจิตมันจึงเหมือนไม่มีมันจึงเหมือนไม่มีอะไรเพราะจิตมันว่างบพว่างข้างนอกก็ว่างไปด้วยกัน มายว่ามันเข้าสู่ธรรมชาติหมดเลยทุกอย่างเป็นธรรมชาติไปหมดเลยจิตว่างว่างจากความเป็นตัวตนมันก็เลยเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรเป็นอะไรอย่างนั้นเนะี่ยเอาสุดท้ายละใครที่รู้สึกว่าถ้าได้มอบกายถวายชีวิตพระพุทธเจ้าพระธรรมส่งแล้วมันทาให้จิตของตัวเองดีขึ้น เราก็มอบกายถวายชีวิตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่บางคนมันถึงอยู่แล้วมันก็เฉยเฉยอ่ะมันเฉยเฉยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ข อ, อโหสิกรรมนะเนี่ยที่มานี่ก็ให้อโหสิกรรมกันไปด้วยเลยล้างออกไปให้หมดไม่มีอะไรค้างคาอยู่ในจิตใจแล้วชาระออกไปให้อภัยซึ่งกันและกันต่างคนก็ ต่างจะได้สัมรวมระวังตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปชาตินี้ก็ให้อภัยให้หมดที่ผ่านมาให้อภัยหมดให้อภัยก็เพื่อจิตเรานี่แหละอจะได้ดีขึ้นมันจะได้ไม่กั้นสวรรค์ไม่กั้นมรรคผลนิพพานต่อไปแล้วก็แพ้เมตตาด้วยแพ้เมตตาจิตเนี่ยมันดีมากมันทําให้จิตเราอร่อนโยน เป็นจิต ท, ที่นุ่มนวลควรแก่ ก, การงานเป็นสมาธิง่ายด้วยโดยเฉพาะคนที่ชอบมีความโกรธมากๆบ่อยๆพยาบาทบ่อยๆพยายามเจริญเมตตาบ่อยๆจนถ้าอารมณ์โกรธโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่มันสามารถทีท่จะแผ่เมตตาไว้ได้ต้องฝึกจนมันทำได้แผ่เมตตานี่ก็เป็นการเจริญสมาธิอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นสมถกรรมฐาน ให้เมตตากับจิตอยู่ด้วยกันส ต, ติต้องคมจิตให้มีเมตตาแผ่เมตตาออกไปจากนั้นก็ตั้งใจอุทิศบุญนะตั้งใจอุทิศบุญให้ฝึกอุทิศบุญเองเลยนะเพราะว่าอันนี้เราก็ฝึกกันมามากล้วให้ตั้งใจอุทิศบุญเองเลยเอาวันนี้พอแค่นี้นะ